วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงทุกอย่างสำเร็จมาแต่วิญญาณอันที่จริงเรื่องต้นไม้มีวิญญาณจะเข้าใจอย่างจำแจ้งได้จริงๆก็ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องวิญญาณสร้างชีวิตให้เข้าใจอย่างจำแจ้งประกอบด้วยเพราะฉะนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ไปอ่านในหัวข้อเรื่องวิญญาณสร้างชีวิตการศึกษาให้เข้าใจว่าต้นไม้มีวิญญาณ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 ซึ่งสุดแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดพาไป